สัมพันธ์ไม่เคยคิดสันแบ่งปันใจฉันให้ใครหากเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่าเพื่อพายภาคหน้าเธอนั้นจะได้สดใสอย่ากลัวว่าฉัน เมตตาชนิ สสอย่ากลัว โปรดเมตตาฉันนี้